ผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนอานนท์เราบุคคลย่ำพัดพรากจากสิ่งอัน อย่าย่อมเป็นไปไม่ได้ทำลายเลยย่อมเป็นไปไม่ได้ทั้งคนหนุ่มคนแก่ทั้งผ่าน ชีวิตของเราก็น้อยนักของเราก็น้อยนักเราจําเป็นต้องละท่านทั้งหลายไปเรา ผลทุกข์ได้อย่างแน่นอนคุณแม่มหาอุบาสิกาแห่งวัดป่าบ้าน 12 กันยายน พุทธศักราช 2473 ตรงกับวันแรม 5 ค่ำเดือน 10 ปีมะเมียที่บ้านตาดตำบล ญาณสัมปันโนพระอรหันต์แห่งวัดป่าบ้านตาลท่านเป็นน้องสาว ทำตามเช่นพ่อบอกว่าอย่าจินจุกจิกว่าอย่าจะหิวเพียงไหนจุกจิกเวลา ท่านไปถวายจังหันพระหลุงตามหาบัวซึ่งเป็นพระพี่ชายมารดาไปถวายจังหันพระหลวงตามหาบัว ถึงถึงท่านเป็นเด็กแต่ก็ฟังรู้เรื่องสมาธิภาวนาถึงท่านเป็นเด็กแต่ก็ฟังรู้เรื่องในสลายกลาย จิตส่องปรุงถึงสว่างโยมมารดาจึงนําเรื่องที่ท่านว่าจันดีเขามีบุญของเขาเขามีของ จะไม่ใช่ผู้ชายยังไงไม่ใช่ผู้ชายตามธรรมดาผู้หญิงเขา วันปกติถือศีล 5 อย่างเคร่งครัดชีวิต 2499 พระโปรดยมมารดาตามาสร้างวัดถามในขณะที่องค์ท่าน เข้ามารับวันพระในหมู่บ้านแม่จันดีเล่าว่าวันพระสามี เห็นผู้สังเกตจึงเข้ามาดูเห็นท่าน ยังไม่มีเทคโนโลยีจึงเป็นงานที่หนักลำบากต้องอดทนส่วนใหญ่ก็ต้องอยู่ทุ่งนาหลังสู้ฟ้า ที่ท่านก็ยังสามารถผ่านพ้นไปได้เจออุปสรรคร้ายยิ่งกว่าเราท่านก็ยังสามารถ เพื่อเอาชีวิตรอดผลจากทุกข์ดังนั้นชีวิตรอดพ้นจากทุกข์ดังนั้นท่านจึงสร้างทาง มีรอยเดินจนทางเป็นร่องลึกยาวแม่ชีแจ้วกล่าวชุมว่าจันดีเจ้าอยู่ไหนก็มีเครื่องหมายของ ประคองจิตไปจิตจนกระทั่งจิตถอนคุณแม่จันดีๆเกี่ยวเข้าไปจนกระทั่งจิตถอนคุณแม่จันดี จึงจะเข้านอนในภายหลังรุ่งสางเช้าวันหนึ่งพระหลวงตามหาบัวเข้าไปรับ จะตามไปชิรันต์องค์หลวงตาเป็ดให้อุบายว่าถ้าเมืองมัวหวงลูกก็ตามหลวงปู่มั่นไปไม่ได้คํา คนแปลความฝันก็เป็นองค์พระหลวงตาผู้ที่ คุณแม่จันดีจึง 2524 ท่านอาศัยกระท่อมน้อยในปากทึกอาศัยกระท่อมน้อยเต็มไปด้วยต้นเข้าสารหนาแน่นป่าทึบท่ามแต่ท่านบวดใจแทน คือใจที่มีเจตนางดเว้นจากการทําความผิดเมื่อใจมีเจตนางดเว้น ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าขึ้นไปบนท้องฟ้ามีรัศมีพวยพุ่งกระจายเป็นโปรยปรายเต็มท้องฟ้าไปหมดสวยงามมากตัวข้าน้อยเอง ท่านสั่งห้ามเด็ดขาดไม่ให้ส่งจิตออกไปสั่งไม่ 1 ปีที่ท่านรักษาจิตไม่ส่งจิตไป เนื้อในกายท่านเน่าเฟะไหลเลอะลงพื้นดินทั้งหมดคง จิตลงสู่ไตรลักษณ์ธรรมะผุดขึ้นว่าเข้าใจหมดแล้ววางแล้วท่านเร่งความ Vocês SS ให้คุณแม่จันดีกราบเรียนว่าจิตตอนนี้เกิดดับเร็วมากเหมือนสายฟ้าแเล็บจิตกล้ามมากไม่กลัวตายองค์พระลโอ้เยี่ยงเลยๆอีกไม่นานๆเดี๋ยวก็เจิดจิตว่างเมื่อองค์พระลุ้งตาไม่สอนอย่างนั้นทรัพย์จึงได้กำลังใจเป็นอย่างมากเพราะคำพูดขององค์ลุ้งตา garderاتศ หนทางแห่งมรรคผลย่อม 29 สิงหาคมพุทธศักราช 2535 ขึ้น 2 ค่ำเดือน 10 ปีเวลา 5:00 น. ธรรมะผุด อายตนะแต่ไม่มีดินมีอยู่ไม่มีที่ไปไม่มีที่มามีดินน้ำไฟลมไม่มีจุติเคลื่อนไม่มี ทั้งกิเลสก็จะพังไม่มีความอาลัยในชีวิตและความตายว่างว่างเป็นจิตพุทธะ ขณะที่อวิชชาขาดออกจากจิตพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทุกๆพระองค์โดยคือศีลสมาธิปัญญา คือกิเลสที่ผูกมัดใจสัตว์ไว้กับความทุกข์ทําลายกิเลสเครื่องร้อย คืนนั้นเกิดความอัศจรรย์ยันสว่างในวันต่อ ถ้าจะเปรียบก็เหมือนถึง 32 ปีหลังจากพ่อแม่ 30 มกราคมพุทธศักราช 2554 แรม 11 ำ, 2 ปีเถาะด้วย อันแข็งแกร่งคุณแม่จันดีสืบทอดวัตตปฏิบัต ได้กล่าวสอนศีลไว้ตอนหนึ่งว่ากิเลสในใจนี่ต้องได้มาเอาใจกิเลสของผู้แอดๆเรื่อยมา ได้นําท่านไปรักษา 15 สิงหาคม พุทธศักราช 2556 ตรงกับวันขึ้น 9 ค่ำเดือน 9 ปีมะเส็งถึงการแห่งอายุไขคุณแม่จันดี 82 ปี 11 เดือน 3 วันธรรมชาติไม่เที่ยง อันเป็นบรมธรรมเป็นความ 15 สิงหาคมพุทธศักราช 2556 เวลา 8 น. ได้ ของคุณแม่จันดีจากกุฏิพำนักเออคุณ ล้างใจสะอาดดีแล้วใจของคุณแม่ล้างสะอาดดีแล้วจะรดน้ําศพหรือไม่ ได้ปฏิบัติมาโดยตลอดเวลา 9:00 น. พระมหาเถรานุธิระครู หลวงปู่ลีกุสราทโรวัดป่าภูผาแดงหลวงปู่อุ่น ใน 18 สิงหาคมพุทธศักราช 2556 ขึ้น 12 ค่ำ 9 ปีมะเส็งนี้ชีวประวัติหลักธรรมส่วนแห่งเสี้ยว สตรีผู้มีวาสนาเดินตามรอยองค์พระบรมศาสดาอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรง